วันนี้นะคะธรรมบัญญายนะคะเรื่องสอนลูกสอนตนนะคะโดยพระอาจารย์ประสงปริปุโนโ น, นะคะปัจจุบันท่านทำนับอยู่ที่วัดบางประกดถนนรังสิตนครนายกคลอง14นะคะคือท่านมาไกลมากเลยนะคะท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโกสลัดเมริกานะคะเป็นเวลากว่า8พันศา ปฏิบัติศาสนากิจในสหรัฐอเมริการ่วม14พรรษานะคะรับนิมนต์ไปยังประเทศต่างๆกว่า20ประเทศท่านเป็นพระธรรมทูตสายสหรัฐอเมริกายุโรปนะคะผลงานของท่านมากมายนะคะท่านมีตำแหน่งมากมายแต่ท่านก็ลาออกทุกตำแหน่งเมื่อปี2541นะคะท่านก็มาอยู่ที่วัดบางปรากฏนี่เองค่ะ ผลงานของท่านนะคะมากมายทั้งร้อยแก้วร้อยกองนะคะที่เราเดินเข้ามาเราจะเห็นมีทั้ง M.p 3หนังสือนะคะหลายต่อหลายผลงานนะคะนาห น, นังสือของท่านนะคะที่ได้รับความนิยมมากๆก็อย่างเช่นหักหอกเป็นดอกไม้หอกหอกนี้เป็นอาวุธนะคะเป็นดอกไม้ท่านสอนทำนะคะให้มีศิลปะในการเปลี่ยนอะจากสิ่งที่แย่แล้วให้กลายเป็นดอกไม้ีอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ท่าน ได้ทำขึ้นมานะคะหรือว่าลักนาเด็กโง่หนังสือเล่มนี้ก็น่ารักมากนะคะสอนเรื่องความกตัญญูนะคะก็มีงานเขียนมากมายอย่างเดียวเราจะได้รับนะคะน้อมสู่ใจหรือว่าธรรมะฟังสบาย MP3 ท่านใช้สื่อการสอนทุกประเภทนะคะตั้งแต่ทีวีวิทยุ CDMP3 หนังสือนะคะศึกษาเข้าไปนี้ท่านทำทุกสายนะคะจนผลงานล่าสุดนะคะที่ เก๋มากนะคะท่านเป็นผู้ริเริ่มนำตระปัดนะคะที่เก่าแล้วนะคะจี่จะเอาไปเผาแล้วมีมากมายในวัดเนี่ยมาประยุกนะคะนำของที่ไม่ใช้แล้วมาทําให้เกิดประโยชน์โดยวาดงานศินละปะลงไปในตระปัดออกช่อง3ด้วยนะคะงานในตระปัดนั้นก็จะเป็นงานเขียนที่สื่อธรรมะ นะคะสื่อคติธรรมทางธรร ม, มต่างๆและที่สำคัญท่านลงมือวาดเองด้วยนะคะหลังๆเนี่ยท่านก็เริ่มมีอาสาสมัครที่มาช่วยในโครงการนะคะมีการเล่านิทานชาดกนะคะผ่านตาลป่ดนี้เหมาะมากกับโรงเรียนลุ่งอรุณค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเราเก่งงานศิลปะเนาะนะคะใครจะรู้วันหนึ่งเด็กอนุบาลเราก็จะวาดผ่านงานศิลปะท่านจะมีอาสาสมัครเพิ่มขึ้นมากมายเมื่อท่านมาที่นี่ ะะเพราะว่างานศิลปะทุกคนที่บ้านมีใช่ไหมกับกําแพงบ้านใช่ไหมคะตอนนี้เอาลงนะคะใครจะรู้วันหนึ่งจะมีนิทรศาการงานเขียนศิลปะในโรงเรียนลุมอรุณผู้ปกครองบางคนก็แอบไปเรียนที่อาสมศิลป์ค่ะพระอาจารย์เชื่อว่าเป็นอาสาสมัครได้ในวันนี้นะคะ เ, เพราะฉะนั้นก็มีอะไรมากมายในตัวพระอาจารย์จริงๆที่สําคัญท่านเป็นกวี งานเขียนท่านไพเราะนะคะคำกรอนท่านเพราะแล้วเข้าถึงใจท่านทำให้พระพุทธศาสนาใหม่นะคะและเข้าสู่ใจของคนทุกรุ่นตั้งแต่เล็กๆจนรุ่นใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ขอนรรมสะสการพระอาจารย์ท่านนะคะแสดงธรรมบรรยายเรื่องสอนลูกสอนตนนบบัดนี้เจ้าค่ะใครเป็นพี่น้องต่างศาสนาช่วยยกมือหน่อยใครเป็นพี่น้องชาวพุทธ ใครยังนึกไม่ออกนะสำหรับพี่น้องต่างศาสนาก็ระลึกถึงศาสดาของตอนเองส่วนพี่น้องชาวพุทธเราไหว้ครูกันหน่อยพนมมือน้อมกายวาจาใจบูชาคุณพระรัตนตรยัยพร้อมกันอรหังดังๆหนึ่งสองสามเพื่อเป็นบุญกุศลกับพวกเรา สมาทานศีลกันหน่อยเชื่อมั่นว่าทุกท่านสมาทานศีลได้ทุกคนโดยไม่ต้องให้ใครนำฮัลโหลพอได้นะมายังพันเตดังๆหนึ่งสองสามยังตั้งนโมสามจบพร้อมกันขอเชิญเข้าถึงไตรสระนะคมพุทธังสารังคัจฉามิขอเชิ ญ, ชญต่อไปศีลห้า เชื่อมั่นว่าทุกท่านว่ากันเองได้โดยไม่ต้องให้พระนำตั้งแต่ปานาจนถึงสุราดังดังขอเชิญอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาทิยามิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนโะโพกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโส อ <c oughs> ขอนอกน้อมแดกคุณพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพแด่ครูบาอาจารย์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และละโลกนี้ไปแล้วและขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้บริหารโรงเรียนรุ่งอรุณคณะคุณครูอาจารย์ทุกท่านรวมทั้งคณะผู้ปกครองทุกทุกท่กทานขอเจริญพร เดี๋ยวมีโอกาสไปที่อื่นจะไปบอกว่าคณะผู้ปกครองของโรงเรียนรุ่งอรุณสามารถอารัตนาศีลแล้วก็ศีลห้าท่องกันเองได้โดยไม่ต้องให้พระนําสาธุดังๆให้เพื่อนของเราด้วยจ้ะสาธุดังๆให้ตัวเองด้วยจ้ะคำว่าสาธุแปลว่ากดไลค์เข้าใจใช่ไหมกดไลค์จ้ะ เพราะฉะนั้นพอเห็นใครทําความดีเรากดไลค์ให้เขาเช่นเห็นคนแก่จะข้ามถนนแล้วเด็กเข้าไปช่วยจุงคนแก่ข้ามถนนพอเราเห็นปั๊บกดไลค์ดังๆด้วยคําว่าอย่าเห็นคนหิ้วของเพื่อนวิ่งเข้าไปช่วยหิว้วเรากดไลค์ให้ด้วยคําว่าแต่ถ้าเขาจะกินข้าวแล้วถ่ายรูปข้าวส่งมาไม่ต้องกดไลค์จ้ะปัญญาอ่อนคำนั้น มันไม่ได้ทำความดีอะไรเลยนะตมาถามทำไมต้องไปกดไลายอาจารย์เดี๋ยวเวลาหนูส่งแล้วมันไม่กดไลค์ให้หนูปัญญาอ่อนทั้งคู่จ้ ะ, ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสำคัญว่าการที่เราให้กำลังใจคนทำความดีมันจะช่วยพัฒนาเพิ่มคนดีให้มากขึ้นวันนี้หัวข้อที่จะคุยกันเรื่องฮัลโหล สอนลูกสอนตนจริงๆต้องสอนตนแล้วไปสอนลูกนะแต่ว่าขณะที่สอนลูกก็สอนตัวเองด้วย outside acting inside knowing what are you doing ข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ว่าข้างในให้ใหปกติสงบเย็นประกาศโปรดทราบวันนี้ธรมาไม่ได้มาแสดงธรรมนะขอโอกาสจ้ะไม่ได้มาแสดงธรรมแต่ว่ามาคุยกัน เวลาคุยจะมีการถามการตอบภาษาบาลีเขาเรียกว่าปุตชากับวิสัชนานันะไม่ใช่วิปัสนากนละตัวกันคำว่าปุจฉาแปลว่าถามวิสัชนาแปลว่าถ้าพระพูดคำว่าปุจฉาแสดงว่าพระต้องการที่จะถามพวกเราก็จะพูดดังๆว่าพวกเราก็จะพูดดังๆว่า แปลว่าพวกเราจะช่วยตอบไม่ได้ก็จะก็ช่วยตอบว่าไม่ทราบต่อมาก็จะให้เลือกว่าจะเอาตัวช่วยหรือจะเปลี่ยนคําถามพร้อมหรื อ, อยังถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยปุตฉาคนต้องเยอะเสียงหน้าดังกว่านี้นิดหนึง่งปุจฉาคําถามแรกอยากถามว่าเว้นข้างหน้าไว้ทําอะไร ขึ้นมาหน่อยได้ไหมนะด้านหลังจะโดยเฉพาะด้านซีกนี้ถ้าเป็นไปนได้ช่วยบรบกวนเลยเพราะว่าเดี๋ยวคณะเข้ามาใหม่จะได้ไม่กวนพวกเราจ่าขึ้นมาอัตมาสังเกตนะใครที่นั่งหน้ามักประสบความสาเร็จก่อนคนอื่นจ่โมทนาบุญจา่าโอ้ที่นี่สุดยอดเลยพอบอกปั๊บลุกเลยที่อื่นขนาดให้คนไปดึงยังไม่ยอมลุกเลยอะ่นะยอดเยี่ยมมากสาธุ ด, ดังๆให้เพื่อนเราด้วยจ่ อืมจ่าสาธุดังๆให้ตัวเองด้วยจ่าที่ลุกมาจ่าเชิญเลยจ่านั่งหน้าให้เต็มเพราะาเดี๋ยวเวลาข้างหลังเข้ามาจะได้ไม่มาสะดุดกันอ่าช่วยเติมเต็มนะช่วยเติมเต็ ม, เ, ตมเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้ร่วมกันแสดงกิจกรรมถ้าเติมเต็มแล้วมันจะลงตัวพอดีคู่ ค, คู่จะเป็นคู่จ่าอ่ะเชิญเลยจ่าเชิญเลยจ่าข้างหน้าไ ม, ไม่ต้องเว้นช่องจ่านี่มาเติมเต็มได้เลยแล้วเดี๋ยวจะได้ให้มีกิจกรรมนิดหน่อย ช่วงเวลาตอนบ่ายเขาเรียกว่าเป็นช่วงปราบเสียนนะตอนเนี้แล้วอาหารอร่อยไหมอาหารอร่อยด้วยทานอิ่มอิ่มมาเจอห้องเย็นเย็นแล้วมาเจอพระอีกต่างหากเนี่ยบรรยากาศมันชวนมากอะถ้าพร้อมแล้วเริ่มใหม่ปุตชาใครเคยเจ อ, อตามาแล้วบ้างยกมือสูงๆ ใครไม่เคยเจอเลยยกมือสูงสูงผลใครไม่เคยเจอแต่เคยฟังกันมาแล้วยกมือสูงสูงเอ า, าไปฟังจากไหนมาในในทีวีนะอ๋ออ๋ อ, อมีซีดีมีทีวีโยมวันก่อนก็บอกว่าไปเจอในทีวีอัตมาไปที่สวนโมกตอนนั้นไปพอดีเจออาจารย์สอนภาษาไบยังไง ก็เลยบอกอาจารย์อ่ตมาขอความรู้นิดหนึ่งเคยเห็นอาจารย์ในทีวีแกก็น่ารักสวัสดีค่ะโยมก็เห็นอาจารย์ในทีวีเหมือนกันเด็กกัง้งๆน่ารักหันมามองบอดีนะไม่เจอกันในตู้เย็นหนาวตายเลยเด็กรุ่นใหม่เขาไวไหมไหวมากเลยแล้วบางทีเราตามก็ไม่ทันนะเราตามก็ไม่ทนันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเจเนอเรชันมีตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ รุ่นรุ่นรุ่นอัตมานี่เบบี้บูมรุ่นแม่ก็ตอนนั้นรุ่นแม่ไม่ได้หวังอะไรมากเขาหวังเพียงแค่ระเบิดไม่ลงวิ่งหนีระเบิดขอแค่ความปลอดภยัยรุ่นอัตมานี่ขอแค่ความมั่นคงในชีวิตมันจะมีเบบี X, ้บูมเจน X อเจนแล้วก็รุ่นปัจจุบันเขาเรียกเจเนเรชันมีเอาตัวเองเป็นใหญ่รุ่นนี้ ขอความสุขเพราะฉะนั้นอะไรที่จะทำให้เขามีความสุขเขาต้องการในจุดนั้นแล้วถ้าคนต้องการความสุขมากๆเนี่ยคิดว่าอยู่กันลำบากัหมฮัลโหลอันนี้ถามอันนี้ถามคิดว่าอยู่กันลำบากหัหยลำบากมีบางคนก็บอกว่าพ่อมีความสุขกับการหาเงินแม่มีความสุข กับการเก็บเงินส่วนลูกมีความสุขกับการใช้เงินนะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเขาได้สิ่งที่เขาต้องการทีนี้ความต้องการเนี่ยพอได้ปั๊บมันหยุดเลยไหมหรือว่ามันมีที่จะต้องการต่อไปอีกมันมีต้องการต่อไปอีกโทรศัพท์มือถือของเรามันจะเก่าเมื่อไหร่ทราบไหมเก่าตอนที่เพื่อนมีรุ่นใหม่มาวางข้างๆอ่ะ เราหยิบมาใหม่ๆเนี่ยพอเพื่อนมันหยิบรุ่นใหม่มาของเราเก่าเดี๋ยวนั้นเลยเก่าทันทีเลยรถที่เราขับอยู่มันจะเก่าเมื่อไหร่ทราบไหมตอนจอดแล้วเราเข้าไปทำงานไม่เก่านะพอออกมาถึงปั๊เห็นของเพื่อนมันมาจอดเทียบกับเราแล้วรุ่นใหม่ของเราจะเก่าเดี๋ยวนั้นเลยคอมพิวเตอร์เราจะเก่าเมื่อไหร่ตอนที่เพื่อนมีโน้ตบุ๊กตัวใหม่มามแฟนเราจะเก่าเมื่อไหร่ ฮ <Hello laughs> <laughs> พอไม่มีข้อเปรียบเทียบต่างๆขึ้นมาเนี่ยปัญหาเกิดไหมเกิดทันทีแล้วเด็กรุ่นใหม่วันนั้นคุณแม่บอกพระอาจารย์ช่วยหน่อยหนึ่งลูกอันนี้เหตุการณ์นานแล้วเมื่อห้าปีที่แล้ว <c oughs> ลูกมีไ h o n e ตัวมีบีบ iPhone ด้วยบ b บีด้วยแล้วเขาพามากราบอตมาพอกราบเสร็จมันก็นั่งเล่นของมันพระอาจารย์ช่วยหน่อยครับ อายุสิบสี่เดี๋ยวนี้มันไม่คุยกับแม่เลยสองตัวนะั้นอะ่ะมันนั่งนี่ขนาดพามาหน้าพระมันก็ยังเล่นเล่นบอกเงยหน้าคุยกับพระมัง่งมันเงยหน้าขึ้นมายิม้ลมลงก็ลงไปเล่นต่ อ, อพระอาจารย์ช่วยหน่อยอตมาถามใครซื้อให้โยมค่ะเพราะฉะนั้นจะให้ตมาตีลูกหรือตีแม่มันตีแม่ <c oughs> ก็คือไปซื้อให้เขา แต่ว่าไม่ได้สอนวิธีการควบคุมตัวเองกับเขาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้น่ากลัวไม่ใช่ว่าเด็กมีปัญหาอย่างเดียวผู้ใหญ่มีปัญหาไหมมีปัญหาสังคมยุคนี้เ้าเรียกสังคมก้มหน้าสังคมก้มหน้าเวลาเดินก็ไม่เงยหน้าจักก้มหน้าแล้วก็เดินไปเหมือนพวกหอยอหอยมันจะเอาหน้าเดินใช่ไห ทีนี้หอยมันอยากจะเกิดแต่หาที่เกิดไม่ได้มันเลยเข้ามาสิงคนจ้ะแล้วก็เป็นหอยสังคมเขาเรียกหอยลายหอยลายหอยลายนะโชคดีว่าไม่มีหอยเหล่านั้นแถมนี้เลยเอาสาธุเดียว ห, <c oughs> หอยสังคมตอนนี้เยอะมากก็พอพูดถึงวันนี้คุณคุณโยมที่ไปรับคุณครูที่ไปรับ บอกว่าช่วยเอาตลับปัดอันนี้ไปด้วยแต่มาไม่ได้เอามาจะมันไหลายตลับปัดแล้วเกินน่ะก็เลยหยิบเข้าคร่าวมาเอามาแค่สองตลับปัดแต่ว่ามีตลับปัดอื่นอยู่ก่อนที่จะคุยกันต่อเดี๋ยวเราดูแลสุขภาพนิดหนึ่ง <c oughs> ท่านบอกว่าสุขภาพของคนเรามันจะมีสุขภาพของด้านร่างกายสุขภาพของสมองแล้วก็สุขภาพของจิตใจ ฮัลโหลยังอยู่ไหมไหตกลงสุขภาพมีกี่อย่างนะงใบขนาดนี้ไม่รู้ให้มันรู้ไปหนึ่งคือสองสามาจ้ะตอนนี้เรามาดูแรสุขภาพกันนิดนึงมาสู่กระบวนการตกลงวันนี้เรามาคุยกันการคุยจะมีการถามการตอบภาษาบาลีเรียกว่าปุตชากับ วิสัชนาจะก็มาเริ่มต้นเรื่องสำคัญกันก่อนทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตนิดหนึ่งปุจฉาคำถามแรกที่อยากจะถามพวกเราก็คือปกติเวลาฟังใช้อะไรฟัง<อ>คุณครูเคยบอกไม่ตั้งหูฟังให้ดี<อ>ครูจะสอนแล้ว<อ>คุณครูบอกว่าไง ตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจฟังปุจฉ า, าตกลงเวลาฟังใช้อะไรฟังยอดเยี่ยมมากลองใช้ใจฟังให้ดีไม่ต้องยุ่งกับหูอัตมาก็ไม่ต้องใช้ใหม่เอาแค่ลิบซิ่งพอดูว่าพระพูดอะไรใช้ใจฟังณนะบัดนี้ปุจฉา อัตมาพูดไปสามหัวข้อพวกเราใช้ใจฟังใจมันบอกว่ายังไงไม่รู้เรืออ่องเลยจ้ะปุจฉานะตกลงเวลาฟังใครคิดว่าเวลาฟังอย่างไรอย่างไรก็ยังต้องใช้หูฟังยกมือสงสงผลปุจฉา ใครคิดว่าเวลาฟังอย่างไรอย่างไรก็ยังต้องใช้ใจฟังอยู่ดีแหละยกมือสูงๆปรกปุจดชาใครยังไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยใครคิดว่าต้องใช้ทั้งหูและใจฟังยกมือสูงๆปปุจดชาใครยังไม่ได้ยกมือไหนช่วยยกมือสงูงให้หลายช้อยมากเลยนะหูก็ไม่ยกใจก็ ไม่ยกทั้งหูทั้งใจก็ไม่ยกไม่ยกมันก็ไม่ยกพวกไม่ยกมือเลยนี่คือพวกไหนสังเกตการคอยดูความล้มสลายของเพื่อนเป็นพักๆกูบอกแล้วมึงนั่งเฉยๆยกเดี๋ยวตอบผิดอายก็อีกเาตกลงเวลาฟังต้องใช้อะไรฟัง ทางหูและชีวิตของคนเราไม่ได้มีแต่ร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่ชีวิตของคนเราประกอบด้วยกายกับใจเหมือนกับ น, น้าแก้วนี้น้าแก้วนี้ประกอบด้วย H2O ใช่ไหมไฮโดรเจนสองอะตอมกับออกซิเจนหนึ่งอะตอมโคเอชันกันเป็นน้ำถ้าแยกไฮโดรเจนกับออกซิเจนออกจากกันมีน้ำไหม พอมารวมกันมีน้ำไหมชีวิตก็เหมือนกันเพราะกายกระใจมารวมกันเขาเรียกชีวิตแต่ถ้ามันแยกขาดจากกันโดยสิ้นเชิงไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้เขายังเรียกชีวิตอยู่ใช่หรือไม่ฮัลโหลปุจฉาตกลงถ้ามันแยกขาดจากกันนี่เขายังเรียกชีวิตใช่หรือไม่ ปุจฉาชีวิตนี้ถ้ามันมีแต่ใจเพียงอย่างเดียวไม่มีกายมีแต่ใจอย่างเดียวลอยแวบแวบแวบไปเรื่อยๆเขาเรียกอะไรกระสือเยอะเลยคุณประกาศปโปรดทราบถ้ามีแต่ใจอย่างเดียวเขาเรียกวิญญาณจะวิญญาณเดี๋ยวกะหังไม่พอใจนะปุจฉา ตกลงชีวิตถ้ามีแต่ใจอย่างเดียวเขาเรียกวิญญาณแต่คำว่าวิญญาณเขาก็ยังแบ่งเป็นวิญญาณโซวิญญาณสเปริชีลแล้วก็วิญญาณคอนเชสเนตซึ่งพวกเราคงทราบหมดแล้วพระก็ไม่ต้องอธิบายใช่ไหมตกลงต้องหรือไม่ต้องเดี๋ยวมันไม่ตรงกับหัวข้อที่จะมาคุยนะชีวิตถ้ามีแต่ใจอย่างเดียวเขาเรียกวิญญาณแต่ถ้ามีแต่กายเพียงอย่างเดียวไม่มีใจล่ะเรียก ศพเป็นศพเป็นซากศพปุดชาศพเนี่ยเราไปเตะมันมันจะโกรธเราไหมจับมันไปเผามันจะโกรธเราไหม น, นั่งจีบแฟนมันต่อหน้ามันเลยอะ่ะมันจะลุกขึ้นมาตบเราได้ไหมแล้วถ้ามันลุกล่ะอกกูไม่หนีแต่ว่ามึงช่วยเก็บรองเท้าให้กูด้วยนะไปจ้า ตกลงชีวิตถ้ามีแต่ใจเพียงอย่างเดียวเขาเรียกวิญญาณแต่ถ้ามีกายอย่างเดียวเขาเรียกศพแต่พอมารวมกันเขาเรียกชีวิ ต, วตและที่นั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกศพใช่ไหมถ้าไม่ใช่เขาเรียกอะไร ต, ตรงนี้ไม่เป็นชีวิตเพราะว่ามีทั้งกายและใจยกเว้นบางคนที่เริ่มจะทำตัวเองเป็นศพจะถอดวิญญาณนิ usaha ให้ลุกบริหารไปพักหนึ่งแล้วนะ มาดูบางคนงงว่าอ้อัตมาทำอะไรพอเราทราบว่าชีวิตประกอบด้วยกายกระจยการดู แ, แลเราก็ต้องดูแลทั้งกายและการให้อาหารก็ต้องให้ทั้งกายและการปกป้องคุ้มครองก็ต้องปกป้องคุ้มครองทั้งกายและการศึกษาเรียนรู้ก็ต้องศึกษาเรียนรู้ทั้งกายและปุจฉา ชีวิตทางด้านร่างกายเวลาหิวเราทำอย่างไรกินเวลาง่วงเวลาเหนื่อยเวลาหนาวเวลาร้อนอแก่เลยอเอาแก้แก้เอาโอเคจะแก้ก็ได้อันนั้นเรื่องของกายทีนี้มาดูเรื่องของใจเวลาใจมันหิวใจมันเหนื่อยใจมันเพลียใจไม่สบายเราทำอย่างไรกับใจฮลัลโหลสายหลุด ถามถามอยู่ถามนะต้องต้องต่อสายไหมเห็นไหมเรื่องของกายเมื่อกี้ถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บแต่พอเรื่องของใจเราเงียบอ่ะเอาใหม่เวลากายไม่สบายนิดนิดหน่อยหน่อยเราทำอย่างไรกับกายพักก่อนถ้าพักไม่หายก็อากิดทานยาทานยาไม่หายก็ไปหาหมอถ้าหาหมออาการไม่น่าไว้ใจ หมอให้นอนที่ไหนโรงพยาบาลถ้าอาการหนักมากหมอจับเข้าห้องอะไรมีดับจิตด้วย <laughs> <laughs> เข้าห้อง ICU ICU intensive care unit ตรงนั้นคุณหมอต้องดูแล ร, ร่างกายอย่างใกล้ชิดแล้วมาดูทางใจเวลาใจไม่สบายนิดนิดหน่อยหน่อยเราทำอย่างไรกับใจฮัลโหลสายหลุด แล้วถ้าใจไม่สบายหนักละ่ะทำไงเข้าวัดพระเห็นอาการหนักจับขึ้นเมนเผาเลยเอานั่นเรื่องของกายเรื่องของกายเวลามีปัญหาเราจับกายเข้าห้อง ICU เรื่องของใจมีปัญหาเราก็ต้องจับใจเข้าห้อง ICU ICU ทางใจแปลภาษาพ่อขุณลามง่ายๆ ICU แปลว่ากูมองมึง กูมองมึงไอซ e อยู่กูมองมึงคือกลับมาศึกษาตนเองมาเรียนรู้ตนเองมาทำความเข้าใจตนเองแล้วก็ฝึกควบคุมตัวเองให้เป็นผู้ใดควบคุมตัวเองได้มากจะมีความทุกข์น้อยผู้ใดควบคุมตัวเองได้น้อยจะมีความทุกข์มากผู้ใดควบคุมตัวเองไม่ได้เลยชาตินี้ทั้งชาติทอทอทอทุกทับ ท่วมถมถ้าไม่ถึงทางธรรมทุกทับท่วมถมถ้าไม่ถอนอุปปาทานอุปปาทานแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นที่ทำให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นการศึกษาพุทธศาสนาที่แท้จริงก็คือการกลับมาศึกษาลงไปที่ความรู้สึกสดสดที่เกิดขึ้นที่จิตในแต่ระครั้งของการกระทบ อารมณ์ศึกษาลงไปที่ความรู้สึกสดสดที่เกิดขึ้นที่จิตในแต่ละครั้งของการกระทบอารมณ์ตกลงการศึกษาพุทธศาสนาก็คือการมาศึกษาลงไปที่ความรู้สึกสดสดที่เกิดขึ้นที่จิตในแต่ละครั้งของการกระทบอารมณ์จ้ะปุจฉาใครตกใจบ้าง ที่ตกใจเมื่อกี้เนี่ยเราเชิญมันมาหรือมันมาเองมันมาเองขันห้ามันทำงานตอนนี้มันยังอยู่ไหมหรือมันไปแล้วมันไปแล้วที่มันไปเนี่ยเราไล่มันไปหรือมันไปเองมันไปเองเห็นไหมนี่คือการศึกษาลงไปที่ความรู้สึกสดๆก็ลูกโป่งมันเจอเข็มอ่ะมันก็ต้อง อาจารย์เดี๋ยวขอตั้งหลับก่อนโอเคขันห้าทำงานเมื่อกี้นี้ตกใจเราไม่ได้เชิญมันมาเองเสร็จแล้วมันก็ไปแล้วอันนี้อะไรอันนี้ท่านบอกว่าใจของเราเปรียบสเสมือนลูกโป่งส่วนอารมณ์เหมือนกับลมที่เราเป่าเข้าไปในลูกโป่งใจเหมือน ส่วนอารมณ์เหมือนลมที่เราเป่าก็ไปในลูกโป่งทีนี้ถ้าเป่าเป่าเป่าเป่าเป่าเป่าไม่หยุดเป็นไงแตกแต่ว่าอารมณ์บางอารมณ์มันไม่เหมือนลมเป่ามันเหมือนเข็มมีไหมอารมณ์ที่เป็นเข็มพึบขึ้นมาทีเดียวปึ๊บไปเลยเส้นโลหิตในสมองแตกเอามาพึกเอามาพาดกินมีเยอะใช่ั้ย ประกาศโปรดทราบเขาเป็นกันเยอะไม่ต้องไปแย่งเป็นกับเขานะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจขบวนการเราจะไม่มีปัญหาตัวนี้ลูกโปง่งอันนี้เข็มอารมณ์บางอารม ณ, รม ณ, รมณ์เปรียบเสมือนเข็มเมื่อเข็มมาเจอกับลูกโป่งเป็นไง <c oughs> ไม่แตกได้ไหม <c oughs> แตกก็ได้ไม่แตกก็ได้หรือว่าก็แตกก็ได้อีกอะ่ะพุทธา เมื่อกี้ใครตกใจบ้างยกมือสูงสูงน้อยฝาเก่าเพราะว่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวมันคงจะเอาอีกโอเคจ้ะหมดแล้วมั้งสองลูกแล้วยังไม่หมดเอามาเป็นถุงเลยเ <laughs> จ้าสีเหลืองหรือสีแดง ตกใจเมื่อกี้เราเชิญมันมาหรือมันมาเองมันมาเองแล้วมันไปหรือยังไปแล้วที่มันไปเราไล่มันไปหรือมันไปเองมันไปเองใครแปลกใจบ้างที่ยิ้มแล้วไม่แตกยกมือสูงๆปุจฉาแปลกใจเราเชิญมันมาหรือมันมาเองมันมาเองและตอนนี้มันยังอยู่หรือมันไปแล้ว มันยังอยู่เอออารมณ์บางอารมณ์มาแล้วไปเองแต่อารมณ์บางอารมณ์มาแล้วไม่ยอมไปแล้วทำยังไงมันจึงจะไปทำให้มันจึงไม่ไปเพราะอะไรมันยังสงสัยมันอยากจะรู้ว่าทำไมไม่แตกกูอยากรู้ว่าว่าทำไมไม่แตกและทำยังไงกูจึงจะรู้ได้ กูก็รอมันเฉลยเนี่ยกูรอมันบอกแล้วก็บังเอิญว่ากูก็ไม่บอกปุจจาหัวเราะเมื่อกี้รู้สึกตัวหรือเคยชินใครหัวเราะด้วยความเคยชินยกมือสิฝึกโอเคจะสาธุดังๆให้เพื่อนเราด้วยสาธ การที่เพื่อนรู้ว่าหัวเราะเมื่อกี้เคยฉินแสดงว่าเพื่อนของเรารู้สึกตัวแล้วตรงนี้เรียกว่ารู้ทันหรือรู้ตามรู้ตามรู้ทันก็ได้รู้ตามก็ได้รู้กายเคลื่อนไหวก็ได้รู้ใจนึกคิดก็ได้แล้วก็หลักปฏิบัติก็คือผู้ซื่อๆก็คือรู้เฉยๆรู้แล้วก็จบกันแค่นั้น พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนพระพาหิยะจนพระพาหิยะสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ก็คือพระองค์ตรัสว่าภาหิยะเออยเธอจงเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่นก็แค่นั้นเองรู้แล้วก็ก็จบกันแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรก็รู้เฉยเฉยแต่ของเรารู้แล้วเราเฉยมะเราไม่ยอมเฉยจริงๆมันจบไปแล้วแต่กูไม่ยอมให้จบ จนกว่ากูจะได้รับความคำเฉลยตรงเนี้ยเนี่ยคือปัญหาบางอย่างมันต้องเฉลยไหมไม่ต้อ ง, ตองแต่ก็อยากจะรู้ว่ า, วาตอนจบเนี่ยวันเฉลิมจะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ฮัลโหลอาตมางงมากว่านั้นโยมบอกสงสารวันเฉลิอมอาตมาก็ ไม่สงสารอะไรไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจใครดูบ้างไหนยกมือได้แล้วตอนนี้คิดว่าเราเหมือนใครในเรื่องลำยองเลยหรอโอ้โหดูเดือดน่าสงสารคนที่ต้องทนอยู่กับลำยองเนาะฮัลโหลก็เห็นใจกันเข้าใจกันสิ่งทกียรตมาอยากจะฝากไว้เมื่อกี้นี้ก็คือใจเปรียบเสมือนส่วนอารมณ์เหมือน ลมที่เราเป่าก็ไปทีนี้ถ้าเป่าๆแล้วไม่ยอมหยุดเป็นไงเพราะฉะนั้นวิธีการไม่ให้ลูกโป่กแตกต้องทำยังไงรู้จักที่จะปล่อยลมออกถ้าทางด้านร่างกายก็คือพอปล่อยมือปั๊บเขาก็ออกแต่ทางด้านจิตใจมันปล่อยไม่เป็นอะมีไหมเฮ้ยปล่อยวางกูวางไม่ได้เอ้ยปล่อยวางมั้งเถอะ ไม่เกิดกับมึงบ้างนี่ลองดูสิถ้าถ้าเกิดสามีมึงไปได้สามีใหม่เนี่ยฮโเข้าใจใช่ไหมคือคือบางครั้งเนี่ยอย่างอาตมาเป็นพระอย่างเงี้ยเจอหลายครั้งแล้วเวลาเตือนอะไรโยมมันไม่เจอกับท่านบ้างนี่โอ้ยเรา คงพระจะไปมีใครเป็นสามวงสามีอะไรมันไม่ได้มีมันไม่ได้ยุ่งอะไรทั้งสิ้นน่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเรื่องบางเรื่องอยากจะฝากโยมนิดหนึ่งนะเมื่อกี้ตัมมาย้าเรื่องว่าบางอย่างเราต้องการคาเฉลยแต่บางอย่างไม่รู้ได้ไหมได้แล้วไม่รู้แล้วจำเป็นต้องเป็นทุกข์ไหมขับยานอวกาศขับอย่างไรเนี่ยเราไม่รู้แล้วเราทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์ใช่ไ เพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่เนี่ยจำเป็นต้องรู้ไหมไม่จำเป็นจ้ะหลายๆเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านชี้แนะวันนี้ข้างนอกเมื่อกี้มีเสื้อนิดหนึ่งโยมก็ทำมาให้เป็นรูปอะไรนะต้องเอามาดูไหมใบไม้กำมือเดียวไหนใครได้มาแล้วพรีเซนเตอร์ช่วยดึงออกมาแล้วโชว์หน่อยดู จะพลึบใครเล่าเรื่องใบไม้กำมือดัดเดียวได้ลุกขึ้นมาเล่าอย่างอาจหาญแล้วออกมารับรางวัลพึกพระพุทธเจ้าเรียบร้อยจ่าสเสด็จไปที่ป่าปดูลายแล้วก็หยิบใบไม้ขึ้นมาแล้วถามพระภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายเธอเห็นใบไม้ในมือกับใบไม้ในป่าไหมเห็นพระเจ้าค่ะ ใบไม้ระหว่างในมือเรากับในป่าเนี่ยไหนมากกว่ากันพิกษุตอบว่าในป่ า, ปาพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัส ด, ดูก่อนพิกษุทั้งหลายความรู้ที่เรามีเปรียบเสมือนใบไม้ทั้งป่าแต่สิ่งที่เรานํามาสอนก็คือใบไม้กํามือเดียวก็คือเรื่องทุกข์กับไม่ทุกข์ทุกข์กับไม่ทุกข์ที่ท่านนานํามาสอนพระพุทธเจ้าจบ18ดศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วย แต่ว่าเวลาเอามาสอนท่านไม่ได้ไปสอนสิ่งเหล่านั้นท่านเอามาสอนเรื่องทุกข์กับไม่ทุกข์นั่งอยู่ตรงนี้นั่งให้ทุกข์ได้ไหมนั่งให้ไม่ทุกข์ได้ไหมแล้วแต่ใครแล้วแต่เราว่าเราจะให้มันทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็ได้ตกลงเรื่องใบไม้กามือเดียวอาตมาเอาเรื่องนี้ไปสอนโยมประทับใจมากพอบอกว่าอา้าพูดถึงความรู้สึกที่มาฟัง คุณโยมคนหนึ่งลุกขึ้นมาถึงปับ๊บผมประทับใจเรื่องใบไม้กามือเดียวมากครับความรู้ของผมทั้งหมดมีเท่ากับใบไม้กามือเดียวแล้วผมใช้หมดเลย <c oughs> เออเราฟังแล้ว <c oughs> เฮ้ยโอเคของเขาไม่ได้รู้มากแต่เขาใช้หมดสิ่งที่เขาฟังอาตมาพูดพอพูดเสร็จปับ๊บเขาจาแล้วก็เอาไปใช้พอเขาฟังป๊ โอเคโอเคโอเคอันนี้ใช้ได้แล้วเขาใช้ทันทีเลยอย่างยกตัวอย่างที่อาจมาบอกว่าขอเงินขอทองขอของขอได้ขอโทษง่ายๆทำไมไม่ขอกันให้เงินให้ทองให้ของให้ได้ให้อภัยง่ายๆทำไมไม่ให้กันขอเงินขอทองขอของขอได้ขอโทษง่ายๆทำไมไม่ขอกันพอกฟังเสร็จปั๊บหันไป ขอโทษนะครับแกเอาไปใช้ทันทีเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นไหนใครอยากอยู่อย่างมีความสุขยกมือสูงๆพลบพนมมือสวยๆหันไปมองหน้าเพื่อนข้างๆยิ้มหวานๆรู้จักไม่รู้จักช่างมันว่าตามกรรมบันใดที่เราได้ล่วงเกินต่อเพื่อนทั้งปัจจุบันชาติและอดีตชาติเราขอโทษสาธุ นี่ขอโทษไปถึงอดีตชาติเลยนะเนี่ย <c oughs> บางทีเราไม่รู้ว่าเคยทำเวร <c oughs> ทำกรรมกันมาหรือเปล่าให้เงินให้ทองให้ของให้ได้ให้อภัยง่ายทําทำไมไม่ให้กันในขลิา ย, ายากอยู่ยังมีความสุขย้งมุอสองสงพลบพระนมือสวยสวยว่าตามกรรมัใ ด, ใดที่เพื่อนได้ร่วงเกินต่อเราทั้งปัจจุบันชาติและอดีตชาติ เราอโหสิกกรรมให้พุทโธอโหสีธรรมโมอโหสีสังโฆอโหสีสาธุ Kid หันไปหัน <c oughs> euh. หาคนข้างๆสาธุอโหสิกรรมกันแล้วทั้งห้องเลยนะทั้งห้องเลยจะต่อไปนี้ไม่มีเวรไม่มีกรรมกัน เวลาขับรถมาหาที่จอดไม่ได้ก็อย่าไปมีปัญหาอย่าไปมีเวรกรรมกับมันนะก็คือให้อภัยกันแล้วลูกมาอยู่ที่นี่บางทีเล่นกันอ่ะโอ้โหไม่เคยมานี่มาครั้งแรกอ่ะที่เล่นมันมากกว่าที่เรียนอีกอ่ะ <c oughs> อุมกว้างมากเลยแต่ว่าที่เล่นก็คือที่เรียนเพราะฉะนั้นเขาเรียนรู้จากการเล่นปัจจุบันโรงเรียนต่างๆ ความรู้ไม่จำเป็นต้องหาในห้องสี่เหลี่ยมเสมอไปพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านสแสวงหาความรู้ท่านหาที่ไหนหาในป่าหาในป่าพื้นดินพื้นทรายใต้โคนไม้ประสูตรก็ในป่าสแสวงหาธรรมในป่าตัดสรู้ธรรมก็ในป่าใต้โคนไม้ สั่งสอนสาวกก็ในป่าใต้โคนไม้ดับขันปริยนิพานก็ในป่าใต้โคนไม้เพราะฉะนั้นที่นี่เขาต้อนรับลูกหลานเราด้วยอาสนะของพระพุทธเจ้านะป่าใต้โคนไม้เนี่ยให้เขาไปศึกษาให้เขาไปเรียนรู้กลับไปมันเรียนรู้ซะหัวโศทรายเซยอะไรเต็มหัวนะแล้วก็บางทีเรียนรู้มากหัวปวดกลับไปบ้านมีมั้งไหมมีจ้ะมันเป็นธรรมดา มันทำให้เด็กอึดนะทำให้วันอึดขึ้นมาตรงเนี้การเรียนรู้เพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่กับสังคมการกระทบกระทั่งก็มีเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วไม่มีปัญหาจะ้ะกลับมาสู่ขบวนการที่เราจะมาคุยกันตกลงเข้าใจเรื่องลูกโป่งนะใจเปรียบเสมือนส่วนอารมณ์เหมือน ลมที่เป่าก็ไปวิธีการถ้าเป่ามากลูกโป่งเพราะฉะนั้นวิธีการไม่ให้ลูกโป่งแตกก็ต้องรู้จักปล่อยลมออกมาข้างบ้านนะตามตามาสมัยตอนก่อนบวชโยมคนหนึ่งโมโหลูกน้องพอโมโหโกรธด่ดาดๆาดาปุ๊บไปตรงนั้นเลยจ้ะเส้นโลหิตในสมองแตกตรงนี้สำคัญพวกเราเคยโกรธไหม เคยถูกด่าแล้วโกรธเนี่ยมีไหมเคยด่าคนอื่นแล้วเขาไม่ฟังแล้วเราก็โกรธเขาอีกมีไหมปุจฉาเออเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวถามพวกเรากันในชีวิตนี้ใครเคยโดนด่ามาแล้วหลายครั้งยกมือสูงสูงหรใครเคยด่าคนอื่นมาแล้วหลายครั้งยกมือสูงสูงหปุจฉาระหว่างด่าเขากับถูกเขาด่าในชีวิตอย่างไหนมากกว่ากัน อ่ะเอาใหม่ปุจฉ า, าเวลากโกรธขึ้นมาเนี่ยเวลากโกรธขึ้นมาควรจะเก็บเอาไว้ดีหรือควรจะด่าออกไปเลยดีปุจฉ า, าใครคิดว่าเวลากโกรธควรเก็บไว้ดียกมือสูงๆผลโอเคจ้ะเอามือลงขอแสดงความยินดี กับกลุ่มที่ยกมือเพราะตอนนี้สถิติทางวงการแพทย์พิสูจน์ออกมาแล้วท่านบอกว่าทุกครั้งที่เราโกรธแล้ว เ, เก็บโกรธไว้เก็บโกรธไว้จะเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งสแสดงความยินดีกับกลุ่มอนาคตมะเร็งถ้าโกรธแล้วเก็บมะเร็งกินแน่เพราะฉะนั้นเวลาโกรธควนทำอย่างไรด่าออกไปเลยนี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจจะ้ะ เมื่อกี้เล่าแล้วโกรธปั๊บปึ๊บไปเลยทันทีเลยปุจฉาเพราะฉะนั้นชาตินี้พวกเราจะเอาโรคมะเร็งหรือโรคหัวใจไม่เอาทั้งสองโรคถ้าไม่เอาทั้งสองโรคต้องทําอย่างไรต้องไม่โกรธต้องไม่โกรธต้องไม่โกรธแต่ปุถุชนแบบพวกเราจะไม่ให้โกรธเลยเนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าโกรธแล้วรู้ว่าโกรธ แล้วไม่โกรธต่อพอเป็นไปได้ไหมไปุจฉาทำอย่างไรจึงจะไม่โกรธต่อได้ทำอย่างไรรู้ว่าโกรธสาธุต่างๆให้เพื่อนเราด้วย<า>แล้วทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าโกรธได้อะ่ะ<า>ก็อยากจะรู้แต่มันไม่รู้อะ่ะต้องมีสติสาธุต่างๆให้เพื่อนเราด้วยสา สาธุคือโกรธไรนะแล้วทําอย่างไรจรึงจะมีสติได้คือมันอยากจะมีสติแต่มันไม่มีอ่ะต้องฝึกต้องฝึกแล้วก็ต้องฝึกวันนั้นถามโยมว่าทําอย่างไรจรึงจะไม่โกรธต่อก็บอกต้องปล่อยวางภาษาธรรมะภาษาไทยเนีรร่ยตมาชอบมากปล่อยวางอันนี้กรรมอยู่เห็นไหมกรรมอันนี้ปล่อยละกรรมปล่อยละยังอยู่ไหมเพราะฉะนั้นปล่อยแล้วทําไง ต้องวางทำอย่างไรจึงจะปล่อยวางได้ก็ต้องมีสติทำอย่างไรจึงจะมีสติได้ก็ต้องฝึกต้องฝึกแล้วก็ต้องฝึกพวกเรามาฝึกกันสักนิดหนึ่งดีไหมนะฝึกกันสักนิดหนึ่งไม่ดับหรอกนะก็เอาแบบง่ายๆเดี๋ยวถ้าตัต ม, มาพูดคำว่ามีสติให้ทำอะไรพวกเราก็ทำถ้าไม่ได้พูดคำว่ามีสติไม่ต้องทำตกลงไหม ตกลงว่าเดี๋ยวถ้าพระพูดคําว่ามีสติให้ทําอะไรพวกเราก็ถ้าไม่ได้พูดคําว่ามีสติก็ทราบพร้อมถ้าทราบเราพร้อมเริ่มเข้าสู่การฝึกการเจริญสติเบื้องต้นนะบักหนี้อะยืนขึ้นได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหล เข้าใจแล้วไม่ใช่หรอกเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วนะะถ้าเข้าใจแล้วยืนขึ้นได้สแสดงว่าเข้าใจจริงมีสติยืนขึ้นโอเคจ้ามีสติบิดขี้เกียจตามสบายอ้าวหลุดไม่หลุดไม่รู้แหละ มีสติชูมือทั้งสองข้างขึ้นสูงสุดๆมีสติบิดขี้เกียจไปทางซ้ายสุดๆมีสติบิดขี้เกียจไปทางขวาสุดๆมีสติหันกลับมาตรงๆมีสติชูมือทั้งสองข้างขึ้นสูงสุดๆเอามือลงได้เวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยงผิดแล้วผิดเลยใครที่เอามือลงเมื่อกี้เชิญนั่งเป็นชุดแรก นั่งไปเลยจะนั่งไปเลยที่เหลือยอดเยี่ยมจะเอามือลงได้ชุดที่สองเชิญเลยจะชุดที่สองนั่งไปเลยมีสติเอามือลงโอเคยอดเยี่ยมพวกที่นั่งช่วยเป็นตาแทนอรมาดูเพื่อนด้วยคนไหนทำช้าถือว่าขาดสติต้องนั่งเหมือนกันนะช่วยดูหน่อยนะมีสติปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้ง เชิญจากพวกสองครั้งปรบดังหรือไม่ดังก็นั่งลงไปซะหายไปเกินครึ่งอ่ะต่ออีกนิดหนึง่งพวกที่นั่งช่วยเป็นตาแทนพระด้วยนะมีสติชูมือทั้งสองข้างขึ้นสูงๆช่วยดูเพื่อนเราด้วยคนไหนทำช้าถือว่าขาดสติคือเพื่อนเราบางคนน่ารักอะ่ะมันคอยมองเพื่อนคือถ้ามึงทำกูทำกูลอกเข้ามาเป็นประจำแหละ ดูนะคนไหนทาช้าถือว่าขาดสติต้องนั่งมีสติปรบมือกลางอากาศหนึ่งครั้งสองครั้งเอามือลงได้เอาลงสิเขาบอกพวกเราไม่ดื้อมีใช่หรอมีสติเอามือลงหายไปคอนนี่ถ้าต่ออีกสักพักคิดว่าจะเหลือไหมตกลงพวกที่นั่งมีสติหรือขาดสติ ขาดไปแล้วก็มีกลุ่มที่ยืนเนี่ยยอดเยี่ยมมากสาธุดังพร้อมๆกันจ้ะสาธุจ้ะคนที่ยืนใครสาธุแล้วเชิญนั่งเลยจ้ะประกาศโปรดทราบมีบางคนแควนพระเอา <laughs> ก็ย้ำกันหลายรอบแล้วใช่ไหมย้ำแล้วอะ่ะตกลงตัวสติสำคัญไหมสำคัญมากเลยอลองอีกนิดหนึ่งจ้ะลองดูมีสติแถวตรงมีสติชูมือทั้งสองข้างขึ้น ส, งสูงๆมีสติปรบมือกาอากาศหนึ่งครั้งสองครั้งเอามือลงได้เห็นมันต้องแบบนี้ มีสติเอามือลงนี่สุดยอดเอาพวกเราสาธุตึงๆงให้เพื่อนเราได้จ้ า, าใครสาธุแล้วนั่งไปเลยอ <c oughs> เออมันมอีอีกนิดเดียวปรบมือเป็นเซตเนี่ยพวกเราเคยได้ยินไหมลองดูนะทั้งกลุ่มที่นั่งและกลุ่มที่ยืนมีสติปรบเซต มีแถมปวบผัวบ้าเอาเซตเดียวนะเอาเซตเดียววันนั้นไปคุยกับเด็กตาบอดยอดเยี่ยมมากเลยจ้ะบอกเขาบอกว่าทั้งกลุ่มที่นั่งและกลุ่มที่ยืนมีสติปรบเซตเขาเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะหมดเซตเซตเขายาวมากเลยจ้ะเดี๋ยวพวกเราเอาแค่เซตเดียวนะ ทั้งกลุ่มที่นั่งและกลุ่มที่ยืนมีสติปรบเซตเริ่มพร้อมเพรียงแล้วเอาใหม่ทั้งกลุ่มที่นั่งและกลุ่มที่ยืนมีสติปรบเซตหยุดใครหยุดแล้วเชิญนั่งจ้ะใครหยุดแล้วนั่งไปเลยจ้ะเหลือกี่คนเนี่ยนี่ถ้าต่ออีกสักพักคิดว่าเหลือหรือไม่เหลือตกลงพวกที่นั่งมีสติหรือขาดสติ นิดหนึ่งมีสติแถวตรงมีสติหันหลังไปทางนูน้นทําพึลหันหลังหันหลังไม่ใช่หันหน้าไปบอกให้หันหลังไปทางนูน้นหันหลังไปทางนูน้น <c oughs> มีสตินั่งลงจะ <c oughs> เชิญนั่งจาน <c oughs> อ, อ, อ, อันนี้โมคะนะโมคะเดี๋ยวมีปัญหาภาษาไทยมันงงไหมโยมก็บอกอาจารย์เดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางลงใต้ อย่เสียวๆขอพอรพระอาจารย์ด้วยขอให้ลถกว้าไปตลอดทางอาจารย์ขอพอรทำไมแช่งเอาอย่างนั้นขอให้มันหงายไปเอากว้มเนี่ยดีแล้วอาจารย์มีสตินั่งลงได้จ้โมทนาบุญสุดยอดจริงๆจ้ะเพราะฉะนั้นตรงนี้บางทีภาษาไทยมันงงๆอ่ะมันงๆนงๆไม่เข้าใจ จ้ะก็กลับมาสู่ขบวนการของเรานิดหนึ่งตกลงตัวสติสําคัญไหมเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดก็ต้องมีเวลาจะทําก็ต้องมีเวลาจะคิดก็ต้องมีอ่ะวันนี้ให้หลักไปปฏิบัติเลยจ้ะขอมือขวาจ้ะขอมือขวาเอานิ้วชี้ชี้นะคิดทุกคําที่พูดไม่พูดทุกคําที่คิดว่าดิ คิดก่อนพูดไม่พูดก่อนคิดคิดทุกคำที่พูดไม่พูดทุกคำที่คิดคิดก่อนพูดไม่พูดก่อนคิดหนึ่งสองสามคิดทุกคำที่พูดไม่พูดทุกคำที่คิดคิดก่อนพูดไม่พูดก่อนคิดโอเค พูดเนี่ยก็ทําทแบบนี้นะพูดหรือว่าแบบนี้ก็ได้พูดตอนแรกกัตมาไม่รู้เรื่องไปชี้อย่างนี้ก็บอกไม่ใช่จ้ะ อ, อ, อันนี้เรียนนะไม่ได้มั่วนะไม่ได้มั่วจ้ะที่บอกว่าไปเจออาจารย์สอนภาษามือนั่นแหละก็เลยขอความรู้เขาคิดทุกสิ่งที่ทำไม่ทำทุกสิ่งที่คิดคิดทุกสิ่งที่ทําไม่ทําทุกสิ่งที่คิดคิดก่อนทําไม่ทําก่อนคิด คิดทุกสิ่งที่ทาไม่ทาทุกสิ่งที่คิดคิดก่อนทำไม่ทำก่อนคิดคิดก่อนทไม่ทก่อนคิดข้อสุดท้ายคิดก่อนคิดแล้วก็คิดก่อนคิดคิดก่อนคิดสาธุจ้ะ คิดทุกคำที่พูดนี่เข้าใจไหมคิดทุกสิ่งที่ทำนี่เข้าใจไหมคิดก่อนพูดเข้าใจคิดก่อนทำเข้าใจคิดก่อนคิดใครเข้าใจคิดก่อนคิดยกมือซิใครไม่เข้าใจยกมือซิใครยังไม่เข้าใจว่าตัวเองเข้าใจหรือไม่เข้าใจฮัลโหลทำไมมือมันมีอยู่แค่นี้คิดก่อนพูด ค, คือถ้าเราคิดทุกคำที่พูดเนี่ยมีปัญหาไหมเยอะเลยมีปัญหาเยอะเลยเช่นเห็นคนบางคนอย่างมาสมัครเรียนอย่างเงี้ยหรือกําลังพอเดินเข้าหน้าโรงเรียนพอเห็นพออ่กหูว่นอย่างกับมีควายคิดแล้วใช่ไหมถ้าพูดเนี่ยมีปัญหาไหมมีปัญหาทันทีคิดก่อนทำเข้าใจไหมเห็นคนเดินผ่านดูมันเดินหน้าตกจริงๆ คิดแล้วใช่ไหมถ้าตบไปมีปัญหาไหมมีปัญหาคิดก่อนคิดนี่เข้าใจหมฮลัลโหลใครยังไม่เข้าใจว่าตัวเองเข้าใจหรือไม่เข้าใจคิดก่อนคิดเช่นอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างเคนตีรเดชเนี่ยรุ่นพวกเราพอทราบกันใช่ไหมเคนตีรเดชนี่เป็นไงเป็นคนดีไหมแฟมิลี่แมนบางคนพอเห็นปั๊บอยากได้อยาอยากได้ ไม่เหมือนคนที่บ้านเลยอยากได้ปุจฉาเคนทีระเดชเขามีครอบครัวหรื อ, อยังมีแล้ ว, ลวถ้าเราไปเอาเขามาเราผิดศีลข้อไหนข้อสามข้อสามว่าไงาากาเมยเพราะฉะนั้นคิดก่อนคิดก็คือเลิกคิดไปเลยเลิกคิดไปเลยอาะไม่เอาเคนก็ได้เอาเอาเอา เ, อาเอาจนจิลายุเอาเจน หรือณเดชก็ได้อานาเดชอนาเดชแล้เจมก็ได้อาจารย์สองคนนี้ปุจฉาแล้วถ้าหน้าตาอย่างเราไปเดินกับเจมเนี่ยเจมจิเขาคิดว่าเราเป็นอะไรกับเจมคนเห็นเฮ้ยเจมจิเดินกับกิมจิเฮ้ยก็ยังดีนะถ้าเดินกับอุนจินี่น่ากลัวม่ะ